ปกติฉันนอนประมาณห้าทุ่มและตื่นราวตีห้าเพื่อลุกขึ้นอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานแต่เมื่อศรัทธาในทางพ้นทุกข์คือสติปัฏฐานสี่เวลานอนและตื่นก็ถูกกำหนดขึ้นใหม่คือเข้านอนสี่ทุ่มและตื่นตีสี่ฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าอาณาปานาสติเต็มขั้นของพระพุทธเจ้านั้น ต้องการทั้งเครื่องประกอบภายในและเครื่องประกอบภายนอกเครื่องประกอบภายในได้แก่ลมหายใจกับสติเครื่องประกอบภายนอกได้แก่สถานที่อันวิเวกอย่างน้อยก็บ่งเป็นนายว่าสิ่งแวดล้อมในการตั้งต้นบําเพ็ญอาณาปณะสติเป็นเรื่องเป็นราวนั้นไม่ควรอึด ก, กระทึกครึกโครม กับทั้งไม่ควรมีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากลมหายใจนับว่าโชคดีที่ฉันนอนคนเดียวในห้องเดียวและช่วงสี่ทุ่มแถวบ้านฉันก็สงัดสงบเหมือนราวป่าฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าเข้ากติกาอาณาปานาสติพอสมควรนับว่าฉันได้ตัวอย่างจากการตั้งสติรู้ลมหายใจ ขณะลืมตามาพอสมควรอืมนขนาดวันเดียวนะนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวเชียวละคราวเนี้ยฉันจะนั่งหลับตารู้ลมหายใจดูบ้างเป็นการนั่งหลับตาด้วยความตั้งใจว่าจะเอาตัวอย่างการรู้ลมที่ถูกต้องรวมทั้งสร้างสติให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อนำไปใช้ในเวลาปกติมากกว่าที่จะนั่งหวังความสงบสุข เหมือนเช่นที่เคยผ่านานมานั่งขัดสมาธิวางมือขวาซ้อนมือซ้ายพอปิดตาลงโลกภายนอกหายไปเหลือแต่โลกภายในทุกอย่างก็แตกต่างตอนที่ตาคนเราเปิดมองโลกภายนอกนั้นช่างไม่มีความตระหนักเอาเสียเลยว่าจิตใจภายในโอลมานอึงมีด้วยพายุ ค, ความคิดหนักหน่วงปานใด ก็เมื่อปิดตาลงและพยายามยุติความคิดหันเหความสนใจไปหาลมหายใจนั่นแหละจึงรู้ตัวโอ้โหอะไรมันจะคิดไม่หยุดขนาดเนี้ยฉันเผลอไปกําหนดลมหายใจตามความเคยชินเดิมๆเข้าอีกคือพยายามตั้งใจเพ่งเล็งยึดจับลมหายใจแน่นเหนียวเหมือนพวกเล่นรักบี้ ย่งลูกได้แล้วต้องกอดไว้กับอกไม่ยอมให้ใครมาแย่งแต่แม้กระนั้นก็อุตส่ามีศัตรูมาแย่งไปจากอกจนได้สิ น, น่ะตามลมได้สามสิบครั้งก็ท้อแท้เพราะเหนื่อยและเกร็งอีกแล้วแถมเน็บกินขาอีกต่างหากฉันลุกขึ้นเดินกระย่องกระแย่งไปเปิดสมุดอ่านที่จดบันทึกไว้ทำให้นึกออกว่า แก้อาการเพ่งเคร่งเครียดได้อย่างไรสายตาสายตาสายตาฉันบ่นท่องกับตัวเองถ้าทอดยาวสบายสบายไม่คาดหวังอะไรแบบเดียวกับทอดตามองฟ้าโดยไม่หวังให้ฟ้าบรรดาลความสงบเดี๋ยวก็เกิดจิตที่โปร่งโล่งพร้อมรู้ขึ้นเองแต่เมื่อความเครียดเกิดขึ้นเสร็จแล้วฉันก็ไม่อยากดันทุรัง นั่งหลับตาต่อเป็นการเพิ่มความเครียดเปลี่ยนเป็นเดินออกมานอกบ้านดูลมชมดาวเล่นซะขณะกำลังมองกลุ่มดาวในเขตกว้างๆของโค้งฟ้าหนึ่งก็รู้สึกสบายใจพอจะถามตัวเองว่านี่กำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าเมื่อเห็นว่าตัวเองสามารถรู้ได้สบายๆเกือบสิบลมหายใจก็บอกตัวเองยิ้มๆว่า อย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าใช่แล้วก็ฉุกใจคิดขึ้นมาวาดหนึ่งถามตัวเองจริงจังว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเพ่งเครียดเกินเหตุทั้งที่ลืมตาปกติดูฟ้าดูไม้ดีๆก็อาจรู้ลมหายใจแบบสบายๆได้ต่อเนื่องฉันปิดตาลงทันทีทั้งยืนอยู่ท่าเดิม พองท้องออกดึงลมหายใจเข้าด้วยความสดชื่นระบายลมหายใจออกด้วยความผ่อนคลายแล้วสังเกตอาการของจิตตนเองฉับพลันก็เห็นพายุฝุ่นแห่งความฟุ้งซ่านก่อตัวขึ้นแทนที่ความสุขกายสบายใจกับทั้งสังเกตเห็นว่าเมื่อจะดึงลมระลอกใหม่มีความอึดอัดขัดอก ฉันเห็นแล้วเพราะอาการพยายามฝืนสู้กับความคิดบังคับจิตให้ลงไปจาะกับลมหายใจนั่นเองเป็นชนวนให้เกิดความเครียดความเกรงแน่นขึ้นมาตามธรรมดาเมื่อหลับตาลงความคิดคนเราจะดูเหมือนฟุ้งกระจายทันทีทั้งที่ความจริงมันฟุ้งเท่าเดิมนั่นแหละแต่พอไม่มีอะไรล่อหูล่อตา ถูกกั้นเขตให้เห็นเฉพาะความคิดฟุ้งยุ่งอย่างเดียวเลยคล้ายกับปั่นป่วนเป็นพิเศษถ้าหากไม่พยายามไปขืนสู้แค่รับรู้ตามจริงว่าเรามีความฟุ้งอยู่ในระหว่างความรู้ลมหายใจจิตก็จะค่อยๆสงบลงเองเพราะไม่ต้องออกแรงเค้นสู้ขณะเดียวกันก็ยังเพลินกับลมหายใจไม่ละทิ้งไปไหน อาการฝืนสู้กับความคิดจะทำให้ตาบีบและเพ่งแคบแต่อาการยอมรับตามจริงสบายๆจะทำให้ตาทอดสบายและเปิดกว้างเหมือนขณะที่ลืมตามองไกลๆฉันเดินวนเวียนอยู่ในสนามนั่นเองเดินเล่นๆแต่กำหนดรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆจนแน่ใจว่าสามารถเห็นลมหายใจออกเห็นลมหายใจเข้า เท่าทันและรู้จริงต่อเนื่องได้ที่ละไม่ต่ำกว่าห้าหกระลอกกว่าที่สติจะพลาเเลือนโดยไม่รู้ตัวพอเงยหน้ามองดาวและนึกได้ก็กำหนดใหม่เห็นลมหายใจกันใหม่กระทั่งรู้สึกเพลียและภายในเริ่มตึงๆขึ้นมาจากความพยายามตามลมฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าถึงทำต่อก็คงเปล่าประโยชน์ เพราะจิตเริ่มแช่แช่ชาชาจึงตัดสินใจเดินเข้าบ้านอาบน้ำเตรียมนอนดีกว่าสรุปในคืนแรกบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ได้ศูนย์เปล่าเพราะเป็นวันแห่งการเอาตัวเองเป็นห้องทดลองเพื่อให้รู้ว่าจิต ท, ที่ผิดทางเป็นอย่างไรจิต ท, ที่ถูกทางเป็นอย่างไรวันต่อต่อไปจะได้ไม่ทำผิดอีก